โซยกตัวอย่างว่าท่านไม่มีศรัทธาจะกวาดล้านวัดผอมผานบังคับท่านจะไม่ได้บุญทำไปโดยบังคับบัญชาท่านจะได้บุญอะไรเล่าถ้าท่านตั้งใจชามท่านมีศรัทธากวาดเวชกูดีข้อปฏิบัติแล้วท่านจะได้บุญ1มื่นเปอร์ซไม่มีใครแบ่งของท่านไปได้ท่านเป็นผู้ได้ร้อยเปอร์ซนตถ้าีะระฆังปั๊บขอไิสู่นวกาทำกิจวัต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 คนเราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมรเพราะกฎแห่งกรรมทําอย่างไรไม่มีอะไรดีเท่ากับการเจริญกรรมฐานเบาที่ยอมหยุดหญิงยอมชายมาก็ไม่ศรัทธาทําไปโดยเสียไม่ได้โยมจะไม่ไดีบุญเพราะมาทํานี่ไม่ใช่ว่าจะทําแล้วก็ให้เกิดผลมีปัญญาเท่านั้นได้บุญได้กุศล ส, สามารถจะเทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาได้บางทีพ่อแม่กําลังอยู่ต่างประเทศกําลังเกิด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 ปากมันส่งเดชไปแม้มันงามออกลูกงามเหลือเกินบางคนนี่ลดน้ำพรวนดินทำยังไงไอ้ต้นไม้ก็งอกและงิกไม่ออกผลให้เลยบางคนก็พูดว่าแม้มือดีนะปลูกรวยหวิงามมือดีจริงๆบางคนเนี่ยไปทำอย่างเขามาก่วยมันก็ไม่หวิงามมนลูกมันกานหมดเลยรีบหมดเลยนี่เห็นไหมนี่เพราะบุญวัสนาคนไม่เหมือนกันบางคนทำส่งเดชนะ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 เกิดผลภริมีบ้านมีช่องบางคนเนี่ยตาใสาเขาอยู่ไม่มีบ้านพอถึงกรรมดีเข้ามาซั์มันก็ทำให้เรามีบ้านอยู่เคหสถานอยู่อย่างใหญ่โตมโหฬารได้บางทีซัดเราตั้งแต่เป็นลูกจ้างให้มาเป็นเศรษฐีได้เอามาเป็นพวแกแป่ได้ซั์เท่าแก่ให้มาเป็นลูกจ้างได้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 ลูกไม่ดีก็มีบางทีพ่อแม่โถงเคงพ่อเป็นเสือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังพ่อเป็นเสือลูกห้าคอนมีลูกห้าคอนแายลูกสองคนนั้นก็เป็นเสือตามพ่อแม่โดนยิงตายหมดนี่จุดที่สุพันบุรีตอนสมัยร้อยเอกยศยิงที่มาฆ่าคนเยอะเลยคือยิงลงน้ำหมดมาปราบเสือสมัยนูน้นเรียกว่าร้อยร้อยเอกยศยิง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 ขอเรียนนวกาไว้ด้วย